ฝึกกรรมฐ า, านนะเต็หัดรู้จักสภาวะรูปธรรมนามธรรมเราจะเรียนธรรมะจากตัวสภาวะสภาวะธรรมเนะี่ยจะสอนธรรมะเราสภาวะธรรมมีรูปธรรมที่ประกอบกันเป็นร่างกายเราเนี่ยเป็นนามธรรม ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความจำได้หมายรู้ความจำความรู้สึกความจำก็ความปรุงแต่งของจิตปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างเรียนละเอียดเข้าไปกถึงตัวจิต บรรดาตัวรูปตัวความรู้สึกสุขทุกตัวความจำได้หมายรู้ตัวความปรุงดีปรุงชั่วตัวความรับรู้ความรับรู้คือตัวจิตสิ่งเหล่านี้มันรวมกันขึ้นมามาอยู่ด้วยกันแล้วเราก็สำคัญมั่นหมายว่านี้คือตัวเราของเรา เราจะเรียนนค่อยๆแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยแยกมันออกไปเป็นส่วนส่วนรูปก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่อยู่อีกส่วนหนึ่งความจำจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสิ่งที่สัมผัสกาย จำเรื่องราวทางใจอะไรนี่ส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วเช่นศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยนี่เป็นความปรุงศรัท ธ, ธาวิริยะสติปัญญาเป็นความปรุงฝ่ายดีสมาธิ เป็นความพรุงแต่งของจิตที่เกิดร่วมกับจิตทุกชนิดนะจิตทุกดวงทั้งดีและชั่วมีสมาธิทั้งนั้นแหละอย่างผู้ร้ายจะไปฆ่าคนก็ต้องมีสมาธิฝ่ายชั่วก็ตัวความโลภความเกิดความหลงอะไรในใจเราอันนี้เรียกว่าสังขารสังขารขัน ส่วนตัวจิตมีชื่อหลายชื่อที่เรียกมนโนเดี๋ยวนี้เอาคำว่ามนโนไปใช้เสียหายแล้วนะมนโนแปว่าใจเป็นตัวรู้ธรรมอารมณ์อารมณ์ที่รู้ได้ใจตัวพิณญาณคือความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ แร่ตัวจิตตัวรู้อารมณ์สุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ฟังแล้วยากลงมือปฏิบัติจริงไม่ยากหลวงพ่อเคยฟังเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆฟังวิทยุกลางคืนจะมีผู้หญิงสองคน สอนธรรมะทางวิทยุคนหนึ่งออาจารย์แนบมหาเนลา น, นุนนี่สอนอภิธรรมอีกท่านหนึ่งคือท่านก่อเขาส่วนหลวงนสอนเรื่องการปฏิบัติหลวงพ่อฟังฟังทั้งสองท่านอาจารย์แนบฟังไม่รู้เรื่องท่านก่อ ฟังแล้วมันถึงใจถึงอกถึงใจตอนเดีกๆฟังก็ไม่เข้าใจอะไรแล้วหัดนั่งสมาธิทางความสงบทาความสงบขึ้นมาก็ไม่เห็นว่าความสงบมันจะผิดต่อการคำสอนของท่านกอหรืออาจารย์แนบตรงไหนดูไม่ออก ไล่เที่ยงสาต้องพยายามหาวิธีปฏิบัตินะคนหาเส้นทางว่เราจะภาวนายังไงดีนะอยากได้นิพพานแต่นิพพานเป็นไงก็ไม่รู้เห็นเขาว่ามันดีมันไม่ทุกข์เที่ยวแสวงหาเหมือนพวกเราเนี่ยเที่ยวแสวงหาว่าจะปฏิบัติยังไงจะพ้นทุกข์ได้ บันทีก็อ่านพระไตพีิตกนะอ่านทั้งหลายรอบเนะี่ยอ่านแล้วก็จับหลักของการปฏิบัติไม่ได้สักทีไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเจนมาเจอหลวงปู่ดูลุงพ่อยุยี่สิบเก้าแล้วมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองดูไปดูมาไม่นานนะเขาเข้าใจ ตั้งลังเลยเข้าใจเลยว่ากุญแจสําคัญที่จะไขธรรมะออกมาได้ตัวจิตเรานี่อกุศลก็เกิดที่จิตอกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตเข้ามาถึงจิตตื่นใจแล้เห็นธรรมะทนที่เป็นกุศลอกุศล ท, ที่เป็นโลกุตตะเกิดที่จิตท่านะ้ ้านาเป็นแล้วนะถึ่จะมาจับหลักได้ทีแ้กก็ทำผิดผิดถูกๆูไปใช้เวลายี่สิบสองปีในการแสวงหาว่าเราจะลงมือปฏิบัติจะทำยังไงเรียนอย่หลงบุญดวงเข้าใจก็เลยเข้าใจไปถึงสิ่งที่หลวงปู่ ม, มั่นสอนได้ใจได้จิตก็ได้ทำ ไม่ได้จิตก็ไม่ได้ทำกุญแจสำคัญของการปฏิบัติก็คือจิตเหล่านี้เองพอได้จิตเราจะสามารถแยกขันได้ถ้าแยกจิตไม่ได้ขันห้ามยังรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ด้วยกันงันเวลาที่หลวงพ่อสอนพวกเราจะสอนเป็นลำดับลาดับไป ก่อนที่เราจะมาถึงตัวจิตได้เนี่ยจิตนี่คือจิตผู้รู้หลวงพ่อจะสอนพื้นฐานเลยทำยังไงจิตผู้รู้มันจะเกิดขึ้นตัวจิตผู้รู้นั่นแหละจะเอาไว้ใช้ในการเจริญปัญญาไม่มีตัวจิตที่เป็นผู้รู้นะ เจริญปัญญาไม่ได้จริงมีแต่จิตผู้หลงพากันหลงไปตลอดวิธีการที่จะให้ได้ตัวจิตที่เป็นคนดูขึ้นมาเนี่ยมีสองวิธีวิธีหนึ่งทำฌานอย่างเราหายใจออกหายใจเข้าไปเรืนะ่อยๆใจเราตรึกใจเราตรองครเคล้าเคลียอยู่กับลมหายใจ ใ, ใจ ใจสงบลมหายใจแล้วระ ง, งับไปหายไปลมมันละเอียดมันไม่ได้หยุดหายใจทีเดียวหรอกมันหายใจอย่างละเอียดมันรู้สึกซึมซ่านไปตามผิวหนังนะั้นเหมือนหายใจทางผิวหนังได้ลมหายใจระ ง, ง, งับไปกลายเป็นแสงสว่างใจที่มันนึกถึงแสงสว่างนี่เรียกว่ า, วาพิจตก ใจที่มันเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างไม่หนีไปที่ไหนเนระียก ว, ว่าวิจารอยู่ตรงนี้นะสเสร็จแล้วจิตสงบขึ้นไปนะชำนีชำนานในการเล่นแสงสว่างเนะี่ยย่อก็ได้ขยายก็ได้เวลาขยายนะจะรู้สึกเหมือนเราเป็นพระทิตพระจันทร์อนะไรเงี้ยฉายแสงไปทุกคนทุกแห่งเวลาย่อลงมาเนะี่ยแสงมันจะรวมตัวลงมา เล็กนี้เดียวเหมือนปลายเข็มเวลาแสงมันรวมตัวลงมานะมันจะเข้มปึ๊ดเลยแสงมันเข้มมากๆเลยนะตรวที่เราย่อดได้ขยายได้แสงเนะี่ยเราได้อุปจาระสมาธิละ่างที่พวกเรานั่งเราเคลิมเคลิมเราบอกอุปจาระนั้นไม่ใช่นะะนั้นอุ จ, จาระสมาธินะสมาธิกระจบนั่งเราเคลิม แต่นั้นจิตมันนะมันเล่นกับแสงได้แนละ้วมันมีความสุขมีปีติแล้วก็สงบอยู่กับแสงสว่างนี่ปตมฌานก็เกิดขึ้นนี่เราภาวนาต่อไปเรารู้เการที่จิตมาจับอยู่ที่แสงมาเคล้าเคลียอยู่ที่แสงนะั้นยังเป็นภาระเป็นภาระสิ้นเปลืองพลังงาน เิีกวบางแสงละวิตกละวิจาร์เสียตำลาชอบไปแยกนะตำลาชั้นหลังๆแยกตรวิตกอันหนึง่งละวิจารอีกอันหนึงนะ่งอะรที่จริงมันก็วางตัวปฏิภาที่มีตัวแสงนะวางไปพอวางทั้งวิตกทั้งวิจารก็ตับไปพร้อมๆกันจิม่ะทวนกระแสเข้ามาที่ตัวผู้รู้ตัวผู้รู้จะเกิดขึ้น ว่าจิตไม่ไหลไปอยู่ที่ตัวอารมณ์แล้วถ้าจิตยังไหลไปอยู่ที่ตัวอารมณ์ตัวผู้รู้ไม่เกิดเงินเคล็ดลับจากการทำสมาธิตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่ตัวอารมณ์นะจิตรู้จะไม่เกิดถ้าจิตไม่ไหลไปอยู่ที่ตัวอารมณ์จิตรูม้มจะเกิดถ้าจับหลักตรงนี้ได้นะเราสามารถ พัฒนาจิตรู้ให้เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องเข้าฌานนี่เป็นวิธีที่พวกเราควรจะฝึกเพราะพวกเรารุ่นนี้เข้าฌานยากหาความสงบยากเหลือเกินมีแต่เรื่องวุ่นวายวิธีที่จะฝึกให้ได้ตัวจิตผู้รู้ขึ้นมานะทำกรรมฐานสัอย่างหนึ่งเช่นหายใจเข้าพดใหายใจออกโร หรือทำกรรมฐานเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยุบเห็นร่างกายเดินเห็นร่างกายยืนเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายนอนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหยุดนิ่งทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้มุ่งให้ความสําคัญกับตัวอารมณ์กรรมฐานอย่างเรา หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนะี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับลมหายใจหรือพุโทโธเราให้ความสำคัญกับจิตเราเห็นท้องพองเราเห็นท้องยุบนะนะรู้สึกมันทั้งตัวนะอย่าดูแต่ท้องดูแต่ท้องอย่าเพ่งท้องได้สมถะเฉยๆเห็นทั้งตัวเนะี่ยท้องมันกาลังพองท้องมันกำลังยุบรู้สึกมันทั้งตัวนะรู้ตัวตัวพร้อมสบายสาย ให้ความสาคัญกับจิตใจของเราไม่ใช่ให้ความสาคัญกับร่างกายที่พองที่ยุบขยับอย่างหลวงพ่อเทียนนี่เคลื่อนไหวหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งแล้วรู้สึกเะเคลื่อนไหวไปก็รู้สึกหยุดนิ่งก็รู้สึกไม่ได้ให้ความสาคัญกับมือแต่ให้ความสาคัญกับจิตทากรรมฐานอะไรก็ได้แต่ให้ความสาคัญกับจิตทำยังไงการให้ความสำคัญกับจิต ทำกรรมฐานแล้วจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเรียนทำกรรมฐานไปจิตฟุ้งซ่านไม่ต้องไปอยากให้สงบจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเกิดสงบขึ้นมาก็รู้ว่าจิตสงบรู้อย่างที่จิตเป็นฝึกนะ อ, อย่างนี้ไปเไรื่อยจิตลงไปคิดรู้ทันว้าจิตลงไปคิด ทันทีที่เรารู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตใจเรานะว่าจิตใจเราหลงไปคิดจิตใจเราสุขจิตใจเราทุกขจิตใจเราดีจิตใจเราฟุ้งซ่านหดหูอะไรเงี้อยอ ร, รู้เท่าทันจิตของตนเองเนะี่ยสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองจิตที่ดิ้นไปดิ้นมาทุรนทุรายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกขนะ์เรารู้เท่าทันมันนะ จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตไม่ดีก็รู้ตรงที่เรารู้ทันนะนะจิตที่ดิ้นรนเนะั้ยมันจะดับไปเลยมันจะเกิดจิตรู้ขึ้นมาแทนแม้จิตรู้ไม่ได้ยากอะไรแต่อยู่ๆเราไปทำให้จิตรู้เกิดเนี่ยทำไม่ได้ยกเว้นทำชาญแต่ถ้ารราพวกเราทำชาญไม่เป็นเนี่ยเราสั่งจิตรู้ให้เกิดเนี่ยทำไม่ได้ เราใช้วิธีทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตมันหลงไปมันหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรถหลงไปรู้สัมผัสที่ร่างกายหลงไปคิดทางใจเนี่ยจิตมันหลงไปทางทวารทั้งหกนนะแล้วมีสติรู้ทันหรือจิตมันสุขเรารู้ได้จิตมันทุกข์รู้ได้ถ้าเมื่อไหร่เรารู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงเนะี่ย จจะแปลสภาพขึ้นมาเป็นจิตผู้รู้เป็นตัวรู้เพราะเราถ้าพูดง่ายๆนะเรารู้จักจิตผู้หลงรู้ว่าจิตมันหลงจิตหลงจะดับแล้วจิตรู้จะเกิดเนะี่พูดให้ฟังง่ายๆนะจิตหลงหลงไปคิดเนะี่ยส่วนใหญ่จิตมันหลงไปคิดถ้าเรารู้ว่าอา้าวตอนนี้หลงคิดแล้วเนี่ยตรงที่รู้ว่าอา้าวมันหลงไปคิดเนะี่ย จิตลงคิดจะดับจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยไม่รักษา嘛 น, นะแต่หลงแล้ว ร, รู้หลงแล้ว ร, รู้บ่อยๆในที่สุดจิตรู้เนี่ยจะมีกำลังมากขึ้นนี่สเต็ปแรกเลยนะที่เร า, าฝึกตัวเองฝึกให้ได้ตัวจิตผู้รู้วิธีที่จะได้จิตผู้รู้ก็คือรู้ทันเวลาจิตมันหลงหลงที่เกิดบ่อยที่สดุดหลงคิด เราพุโทโตพุโทโธพุโทโธไปแป๊บเดียวลืมพุโทโธเราไปคิดเรื่องอื่นละเรารู้ทันว่าจิตหลงคิดเอ้าหลงไปคิดถึงโควิดละอะไรเงี้ยหรือหลงไปคิดถึงเรื่องนอนเรื่องนี้ละตรงที่รู้ว่าจิตหลงคิดนะจิตผู้รู้จะเกิดว่าจิตผู้รู้เกิดแล้วสเต็ปต่อไปที่เราจะภาวนากันนะคือการแยกขันธ์ การแยกขันคือแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยออกเป็นส่วนๆอย่างเรามีรถยนต์หนึ่งคันนะเรารู้สึกรถยนต์มีอยู่จริงแต่พอจับมันถอดออกเป็นชิ้นๆนนะรถยนต์ก็หายไปอย่างลูกล้ อ, อยางรถยนต์เนี่ยไม่ใช่รถยนต์แต่ถ้ามีรถยนต์แต่ไม่มียางก็วิ่งไม่ได้พวงมาลัยไม่ใช่รถยนต์เกียร์เ็ไม่ใช่รถยนต์ เครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์เบาที่นั่งก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์แต่รถยนต์ประกอบด้วยอะไรจำนวนมากแบบนี้แหละสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็เหมือนกันนะถ้าแยกออกไปแล้วจะเพราะว่าตัวเราไม่มีเหมือนที่รถยนต์ไม่มีนี่เราจะแยกคันได้ต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ก่อนจิตผู้รู้ไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกนะอย่างนั่งหยู่กับหลวงพ่อตอนเนี้ย ร่างกายกำลังนั่งรู้สึกไหมร่างกายกำลังนั่งรู้อย่างนี้นะไอ้จิตที่รู้ว่าร่างกายกำลังนั่งไอ้นั้นแหละจิตผู้รูนะ้ไม่ใช่ตัวลึกลับอะไรเลยเพียงแต่คนในโลกนี้มันไม่ค่อยมีมันมีแต่จิตผู้หลงหนะลงตลอดเวลานหะลงนั่งแต่ตื่นจนหลับหลับแล้วก็หลงฝันต่อไปอีกนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่าร่างกายมันนั่งอยู่เห็นไหมธรรมะของพระพุทธเจ้าง่าย ให้ใจออกก็ร nice. like? you, know? you know. ู้ใหายใจเข้าก็รู้รู้ได้ไหมหาใจออกตอนนี้รู้ได้ไหมหายใจเข้ายากสักที่ไหนอ่ะขณะเนี้ยนั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่หายใจอยู่รู้ว่าหายใจอยู่แล้วสังเกตไหมร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยมันถูกรู้ไอตัวที่รู้อยู่ตรงไหนไม่ต้องไปหาแต่ร่างกายเนี้ยที่นั่งอยู่เนี่ยมันถูกรู้ ร่างกายที่หันไปหันมาอย่างเงี้ยเราลองหันซิรู้สึกไหมมันกำลังหันอยู่เนี่ยมันกำลังถูกรู้อยู่ตอนนี้หายใจออกตอนนี้หายใจเข้าดูสิร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้ารู้ได้ไหมรู้ได้ไหมว่าตอนนี้หายใจออกตอนนี้หายใจเข้ามันจะยากตรงไหนเลยเราไปวาดภาพการปฏิบัติสเลเทะไปหมดเลยลึกลับซับซ้อนไปหมดเลย ธรรมะเนี่ยของง่ายของต่อหน้าต่อตาในบาลีหในพระเตปปิโดคนทดิอสอนเวลาเข้าใจที่พระเจ้าสอนนะโอ้อยจำแจ้งพระเจ้าค่าเหมือนเปิดของที่คว่าอยู่ให้หงายอย่างเนี้ยเนี่ยคว่าอยู่ยเนี้ยเปิดให้หงายอ่ะมูยากอะไรยากเพราะเราไม่รู้วิธีคิดมากไป ขณะนี้นั่งอยู่รู้ไหมถ้านั่งอยู่ไม่รู้ว่านั่งอยู่ไม่ว่าหลงสนใหญ่หลงไปคิดเรื่องนอนเรื่องนี้นั่งอยู่ก็ไม่รู้สึกพยักหน้าอยู่รู้สึกไหมเนี่ยร่างกายมันเคลื่อนไหวพอเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวหรือร่างกายมันหยุดนิ่งนะเราจะพบว่าร่างกายมันเป็นของถูกรู้ถูกดูเมื่อมันมีสิ่งที่ถูกรู้มันก็ต้องมีตัวผู้รู้แต่ไม่ต้องไปหาว่าตัวผู้รู้อยู่ตรงไหน แค่รู้มันมีอยู่แค่นี้แหละขันมันแยกแล้วแยกขันได้แล้วแยกอะไรแยกรูปะขันคือกายเนี้ยแยกออกจากตัววิญญาณขันตัวจิตการแยกขันขันมีห้าตัวเวลาแยกเนี้ยอย่างน้อยต้องมีสองตัวตื่เรียกว่าแยกยังมีกายก็มีจิตในห้าตัวที่ว่าแยกแยกเนี้ย หนึ่งตัวที่จะต้องมีตลอดนะคือตัวจิตผู้รู้เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เองเมื่อก่อนของพระอ่านพระไตรปิฎกฟังอาจารย์นแนบฟังอะไรไม่รู้จะเริ่มยังไงที่แท้คือให้มันมีจิตที่เป็นคนรู้สัก่อนพอเรามีจิตที่เป็นคนรู้แล้วเนี่ยนั่งอยู่มันก็รู้ว่านั่งอยู่เดินอยู่มันก็รู้ว่าเดินอยู่นอนอยู่มันก็รู้ว่านอนอยู่มันจะเห็นนะีร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูะอย่างนี้เรียกว่าแยกขันแยกขันเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นความจริงของขันแต่ละขันร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายมีแต่ความไม่เที่ยงแม้ต้องขยับไปเรื่อยๆร่างกายมีแต่ความทุกข์นั่งนานๆก็ทุกข์หายใจเข้ายาวเกินไปก็ทุกข์หายใจออกยาวเกินไปก็ทุกข์ หิวไปก็ทุกข์อิ่มไปก็ทุกข์ร่างกายก็มีแต่ทุกข์เนี่ยก็จะเห็นเลร่างกายมีแต่ความไม่เที่ยงเดี๋ยวให้ใชจออกเดี๋ยวให้ใชจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวปวดอึเดี๋ยวปวดฉี่เดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ภาระเป็นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยท่างกายต้องบำบัดทุกข์ตลอดเวลาขันเงินมนก็ต้องบำบัดต้องเกาอะไรเงี้ยเมื่อไงก็ต้องขยับะ ร่างกายมันทุกข์ร่างกายเป็นแค่วัตถุเราหายใจเอ า, าธาตุคืออากาศสธาตหายใจเข้าไปแล้วก็หายใจออกอะไรเงี้ยร่างกายเป็นแค่วัตถุกินข้าวเข้าไปเนี่ยก็ถ่ายออกอะไรเงี้ยมันเป็นวัตถุที่หมุนไปเรื่อยๆนี่พอเรามีจิตผู้รู้นะแล้วสติระลึกรู้กายนะมันจะเห็นความจริงของร่างกายได้ งั้นการปฏิบัตินะขั้นแรกเลยฝึกให้ได้จิตผู้รู้วิธีให้ได้จิตผู้รู้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งแล้วจิตหลงไปคิดเน้นที่หลงคิดนะเพราะเกิดบ่อยจิตหลงไปคิดเรารู้ว่าจิตหลงไปคิดแล้วอย่างเราพุโทโธพุโทโธอยู่นีไปคิดแล้วอื่นแล้วรู้ทันพวบจิตรู้จะเกิดห้จิตรู้เกิดแล้วแยกขันง่ายๆเลยก็กายรูปรขันกับจิตง่ายๆ รลยแยกละเอียดต่อไปนั่งอยู่เนี่ยร่างกายมีความสุขก็รู้ร่างกายมีความทุกข์ก็รู้เราจะเห็นนะร่างกายเป็นอันหนึ่งนะความสุข ค, ความทุกข์ที่แทรกเข้ามาในร่างกายเป็นอีกอันหนึ่งนี่คือขันอีกชนิดหนึ่งขัอนอันที่สองความสุข ค, ความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายเราก็รู้เหมือนที่ร่างกายหายใจเราก็รู้ว่านีความสุข ค, ความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ น, นี่ค่อยๆฝึกไป แยกขันได้มากขึ้นมากขึ้นที่แรกแยกกายกับจิตนะเราเวทนาคือความสุขทุกข์มันแทรกอยู่ในกายสุขทุกข์เฉยๆแทรกอยู่ที่จิตนะแยกอย่างนี้ได้ใจเราเป็นสุขหรือใจเราเป็นทุกข์อันนี้ดูออกไหมยากเกินไปไหมที่จะรู้ว่าตอนเนี้ใจเราสบายใจกับใจเรากําลังกลุ่มใจไม่สบายใจนะแยกยากไหมไม่จะยากตรงไหนเลย สบายใจก็มีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะมีความทุกข์ในจิตใจรู้ว่ามีความทุกข์ในจิตใจนี่ก็คือเวทนาขันนะแล้วค่อยๆแยกไปเรื่อยๆนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราความสุขความทุกข์มันเป็นตัวเราหรือเปล่ามันเป็นของถูกรู้ถูกดูเหมือนร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูนะนะั่นแหละอย่างเรามีความสุขในใจเกิดขึ้นลองดูไปเออมันถูกรู้นี่ว่าสั่งมันก็ไม่ได้ สั่งว่าจงสุขตลอดไม่สุขหรอกเดี๋ย ว, วาหายความทุกเกิดขึ้นสั่งมันว่าห้ามเกิดมันก็ไม่เชื่อมันก็เกิดโอเวทนาเนี่ยสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้นี่คือคําว่าอนัตตาแล้วเวทนาทุกอย่างเกิดแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็หายไปนี่คืออนิจจ์เฝ้ารูเฝ้าดูไปไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่เรื่องยากเลยนะที่จะปฏิบัติ หลวงปู่ดูลถึงบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติแค่นี้เองผู้ไม่ปฏิบัติก็คือผู้ที่หลงหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันนั้นเราปลุกจิตให้ตื่นนะโดยการทํากรรมฐานอย่างหนึ่งจิตหลงไปไหลายไปคิดรู้ทันจีก็เป็นผู้รู้ขึ้นมาอจิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วลองดูขันมันร่างกายมันนั่งอยู่นะเป็นของถูกรู้เนี่ย สุขทุกข์ก็เป็นของถูกรู้พาไปดูได้ละเอียดขึ้นโลภหลดหลงดีชั่วอะไรก็เป็นของถูกรู้อีกนะเนี่ยสุขทุกข์เนี่ยเป็นเมทนานะดีชั่วเนะี่ยเป็นสังขารขันนะความสุขเกิดความดีเป็นคู่อะอันกันใช่ไหมความสุขไม่ดีไม่เลวความทุกข์ก็ไม่ดีไม่เลวนะไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเป็นวิบากเฉยๆไม่มีดีมีเลวอะไร นี่ค่อยแยกแยกแยกแยกไปนะแต่มีจิตเป็นคนดูตรงที่เรามีจิตเป็นคนดูเนี่ยเราจะเห็นเลยทุกสิ่งที่ถูกดูเนี่ยล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราเห็นแก้วน้ํำไหมแก้วน้ําถูกรู้ถูกดูใช่ไหมเห็นแก้วน้ําเป็นตัวเราไหมถ้าใครเห็นนะปรึกษาจิตแพทย์นะบ้าแล้วนะนั่มันไม่ยากอะไรเลยนะคนในโลกนี้มันบ้าอยู่ ของไม่ใช่ตัวเราบ้าว่าเป็นตัวเราเพราะอะไรเพราะมันหลงเนี่ยพอใจเราเป็นผู้รู้ขึ้นมาเห็นร่างกายก็ไม่ใช่เราเห็นสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราเห็นดีชั่วก็ไม่ใช่เราค่อยๆดูไปแล้วพอละเอียดเข้าไปนะเราจะเห็นไอ้ตัวรู้เองอะ่ะก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ตัวรู้อยู่สักพักหนึ่งก็หลงกลายเป็นตัวหลงนะ้ตัวรู้ตายไปกลายเป็นตัวหลงนะตัวหลงอยู่ชั่วคราว ก็ดับไปเกิดตัวหลงต่ออีกก็ได้เกิดตัวรู้ขึ้นมาก็ได้ตัวหลงเนี่ยมีหลงได้หกตัวนะหกแบบหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดทางใจน่นตัวหลงมีหกตัว ถ้าเราค่อยๆฝึกไปนะทีแรกเห็นกายกับจิตแยกกันแยกไม่ใช่ร่างกายนั่งอยู่นี่ทอดจิตไปอยู่บนหลังคานะ่ยบางคนคิดว่าแยกขันธ์แลแยกไปอย่างนั้นไม่ใช่มันแยกในความรู้สึกเท่านั้นแค่แยกพอแยกปุ๊บจะรู้สึกร่างกายเป็นของถูกรู้สุขทุกข์เป็นของถูกรู้ดีชั่วเป็นของถูกรู้นะต่อไปก็เห็นเลยตัวจิตผู้รู้เองนะมันก็ถูกรู้เหมือนกัน จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดจิตอีกดวงหนึ่งเป็นตัวรู้ว่าจิตตกีนี้เป็นยังไงจิตมันหลงไปทางตาเกิดขึ้นแล้วเกิดสติข mm ึ้นมาเกิดจ <Alab. S 3> <ว> <l> ิตที่มีสติขึ้นมารู้ว่าเมื่อกี้หลงไปทางตาหลงไปดูรูปจิตหลงไปทางใจหลงไปคิดหลงไปคิดช่วงหนึ่งเกิดจิตรู้ขึ้นมารู้ว่าเมื่อกี้หลงไปคิด ในเวลาเห็นจิตมันเกิดดแบบับจะเห็นอย่างนี้มันจะเห็นแบบนี้ตองที่จิตกำลังหลงอยู่เนี่ยมันไม่มีสติมันรู้ไม่ได้แต่ว่าพอจิตผู้รู้มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะรู้ว่าจิตตะกีหลงจิตผู้รู้สั่งให้เกิดก็ไม่ได้เราฝึกตัวเองให้ชนานาญ จ, จนจิตผู้รู้มันเกิดได้เอง ฝึกวิธีให้ได้จิตผู้รู้ก็คือจิตหลงเรารู้จิตหลงแล้รู้นั่นแหละง่ายๆเดี๋ยวจิตผู้รู้ก็เกิดพอจิตผู้รู้เกิดจนชนํชนานีิชํานาญกันนะมากขึ้นมากขึ้นถึงเห็นว่ารูปตัวร่างกายไม่ใช่เราเวทนาตัวสุขทุกข์ไม่ใช่เรานะตัวดีตัวชั่วคือสังขารไม่ใช่เราตัวจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนะจะเป็นผู้รู้ก็สั่งให้เป็นผู้รู้ไม่ได้เป็นผู้รู้แล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ เป็นผู้คิดห้ามันก็ไม่ได้คิดแล้วอยากให้มันเลิกคิดก็ไม่มันก็ไม่เลิกแต่ถ้าทันทีที่รู้ว่ามันคิดนะจิต ค, คิดจะดับจิตรู้จะเกิดเองการดูกายเนี้ยกายกำลังเคลื่อนไหวดูอย่างนี้นะกายกำลังเคลื่อนไหวกายกำลังนั่งมีคำว่ากำลังมีนาวนะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี้ยกำลังนะแต่ถ้าดูจิต สูกแล้วถูกแล้วโลภแล้วโกรธแล้วหลงแล้วเนี่ยหลงทำไมต้องแล้วเพราะว่าขณะที่เราหลงไปรู้อารมณ์เนียสติไม่มีสติไม่ ม, ส ม, มีสติไม่เกิดตอนหลงเพนตอนที่หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมหลงไปริ่มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดทางใจไม่มีสติหรอกเป็นไปไม่ได้ที่จะมีสติ แต่ว่าถ้าเราเคยฝึกจนตัวรู้มันชํานาญแล้วพอหลงแป๊บหนึ่งตัวรู้มันจะเกิดเองมันจะเกิดะระลึกได้ว่าอา้าวนี่หลงเนี่ยมันจําสภาวะของความหลงได้สติจะเกิดเมื่อจิตจําสภาวะได้แม่นในอะภิธรรมสอนอย่างนี้นะเขาก็สอนถูกเลยนะั้นเราหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆทำกรรมฐานอย่างหนึง่งพุโทโธก็ได้หายใจไปก็ได้หายใจเข้าพุทออกโธอะไรก็ได้ แลจิตหลงไปลืมหายใจลืมพุทโธรู้ทันรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆตัวรู้เนี่ยเกิดขึ้นทีขึ้นทีขึ้นชํานิชํานานจนสุดท้ายแล้วมันเห็นนะตัวจิตเองก็เกิดดับตัวรู้เองก็เกิดดับถ้าเห็นถึงตัวรู้เองเกิดดับนะทางถาวรทั้งหกเ น, นี่ยเห็นมิจ ญ, ญาเนะ่ยขันตัวที่ห้ามิจฉาอันขันถ้าเห็นอย่างนี้นะก็จะได้ธรรมนะแล้ว ตอนที่พระพุทธเจ้าถามปัญจวัคคีย์เห็นไหมถามรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงผมไม่เที่ยงไปเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สุขทุกข์นี่ไม่ใช่ความรู้สึกสุขทุกข์นะสุขทุกข์ตัวนี้หมายถึงเป็นทุกข์หมายถึงเป็นถูกบีบขั้นอยังมีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยตัวความสุขนี้กําลังถูกบีบคั้นให้หมดไป นันตัวความสุขเองก็ก็มีลักษณะของความทุกแทรกอยู่มีลักษณะของทุกสิ่งใดเป็นทุกข์นั่นสินั้นควรเห็นว่าเป็นเราไหมพราะไม่เห็นมันของถูกรู้ถูกดูมันจะเป็นเราได้ไงนะถ้าถามรูปเวทนาสัญญาสังขารสังขา ร, นนรลลเนี่ยจิตโลภโกรธหลงเน่เที่ยงไม่เที่ยงโนะลภโกรธหลงเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เป็นอนัตตา แล้วท่านถามวิญญาณวิญญาณคือตัวจิตนั่นนะเที่ยงหรือไม่เที่ยงนีปัญจวัคคีย์ต้องเห็นสภาวะและจิตเกิดดับทางตะวันทั้งหกแล้วเห็นตัวเนี้ยก็จะรู้เลยวิญญาณเนี่ยไม่เที่ยงวิญญาณเกิดที่ตาแล้วก็ดับวิญญาณเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแล้วก็ดับนะพอเห็นอย่างนี้นะก็รู้ว่าตัวจิต กระทั่งตัวจิตผู้รู้นะก็เอาไว้ไม่ได้ไม่ใช่ที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงจิตจะปล่อยวางจิตผู้รู้ตรงที่จิตปล่อยวางจิตผู้รู้ได้นี่แหละจุดตรงนี้แหละที่วัตตาถล่มลงวัตตาที่หมุนจี๋ๆอยู่ในอกเรานี่แหละจะถลมทลายลงตรงนั้นเลยบางองคมีสาวเพศนะมีฟ้าผ่าเรี่ยงมีเสียงสะเทือนโลกธาตุ นะเสียงเทวดาสาธุการคือหึ่มอเงีนะ้นี่มีเอฟเฟกต่างๆบางคนก็นขาดไปเฉยๆเงียบๆไม่สนใจเอฟเฟกต่างๆแต่สภาวะที่เหมือนกันสำหรับพระอราหันต์ทุกองค์คือปล่อยวางจิตได้ปล่อยวางจิตผู้รู้ได้วันนี้สอนตั้งแต่ต้นเลยนะจนจบเลยนะ ฟังทีเดียวยากแต่ลงมือทําทํากรรมฐานอย่างหนึง่งจิตหลงไปเรารู้ไปทําตัวนี้ให้ดีเราจะมีเครื่องมือที่จะปฏิบัติมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามไปพอมีตัวรู้เนี่ยขันมันจะแยกร่างกายนี่มันถูกรู้แล้วตัวรู้มันอยู่ตาหักดีชั่วก็ถูกรู้โลภโกรดหลงก็ถูกรู้ต่อไปไอ้ตัวจิตเองก็ถูกรู้เกิดดับทางถาวรทั้งอก เราแยกขันเพื่อจะได้เห็นว่าขันแต่ละขันนั้นตกอยู่ใต้ใจรักนะพอเห็นใจรักเห็นตามความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือการปล่อยวางพอเห็นตามความเป็นจริงเชึงเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือพอคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นนะเส้นทางที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านเดินมาท่านเดินทางนี้นะไม่มีเราไปทําจิตให้ว่างๆอยู่เฉยๆั น, ะนรู้มรรคผลไม่มี ไม่ใช่พุท ย, ยากไปไหมไม่ได้ลองทำจะไม่รู้สึกว่ายากหรอกถ้าลุงมือทำมันยากนะฟังเล่นๆไม่ยากนะแต่ทำไปตามลาดับเราไม่ยากเหมือนเรียนหนังสือนะก่อนจะเรียนมหาวิทยาลัยก็เรียนปหนึ่งซะก่อนแล้วมันไม่ยากตอนไปเรียนมหาวิทยาลัยค่อยๆเรียนไป ขั้นแรกก็คือทำกรรมฐ า, านอันหนึ่งจิตหลงไปคิดเรารู้หลงไปคิดเรารู้เนี่ยฝึกไปนี่ขั้นปฐมนะต่อไปแยกขันได้นี่ขั้ น, นมัธยมนะแล้วต่อไปก็จะเห็นนะขันแต่ละขันมันตกอยู่ใต้ใจรับษนี่ขั้นอุดมศึกษาต่อไปก็จบไม่ต้องเรียนอีกแล้วพยายามไปฝึกเข้าอ่นะส่งกันบ้าน ไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องสบใจนะทามันเดียวค่อนทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันเวลาจิตหลงทำตรงนี้ให้เยอะๆหมายเลขยี่สิบครับใช้วิหารธรรมดูท้องพองยุบแต่บางครั้งจิตย้ายไปดูลมหายใจเข้าออกควรจะฝืนกลับไปดูท้องพองยุบหรือปล่อยไปตามสภาวะมีสิ่งใดที่ควรระวังในการปฏิบัติเพิ่มเติมครับ เมื่อกี้หลวงพ่อบอกแล้วนะการทำกรรมฐานเนี่ยจิตเป็นพระเอกจิตเป็นนางเอกเพราะงั้นจิตไปดูท้องรู้ว่าจิตไปดูท้องจิตไปรู้ลมรู้ว่าจิตไปรู้ลมดีแล้วมัวแต่ดูท้องก็ได้แต่สมาธินิ่งๆไม่มีอะไรหรอกสงบไปเฉยๆถ้าเรารู้ทานจิตนะั้นเจะแยกเอาตัวรู้ออกมาได้ถ้าไปดูท้องแล้วจิตจมลงไปที่ท้องเนี่ยขันไม่แยกนะ อย่างจะบอกว่าแยกขันได้ว่าเห็นท้องพองก้อนหนึง่งท้องยุบก็อนหนึง่งอันนั้นไม่ได้แยกท้องพองมันก็เป็นรูปท้องยุกมันก็เป็นรูปมัแยกตรงไหนอ่ะมันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละงั้นจะแยกได้มันต้องมีจิตที่เป็นคนรู้เนี่ยเพราะงั้นถ้าเรารู้ว่าจิตไหลไปที่ท้องใช้ได้อันเนี้ยจิตหลงไปที่ท้องจิตหลงไปอยู่ที่ลมเติมคําว่าหลงไปคำหนึ่งนะว่าจิตมันจะหลงไปทั้ง น, นู้นหลงไปทางนี้ตลอดเวลา ลงไปที่ท้องเนี่ยมันลงไปในรูปะลงไปที่ลมก็ลงไปในรูปแต่คนละรูปกันเนอะคนละที่รู้ทันจิตที่หลงไปหลงมาบ่อยๆต่อไปจิตหลงไปคิดตัวนี้ยิ่งร้ายกาศ ท, ที่สุดเลยนะเพราะวันวันหนึ่งหลงคิดเยอะจิตหลงไปคิดเอารู้เนี่ยนะจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นมีจิตผู้รู้แล้วขันมันจะแยกขันแยกแล้วแต่และ ต, ต, ต, ตัวแต่ละตัวมันจะแสดงไตรลักษณ์ รู้ตรลักแจมแจ้งจิตก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือปล่อยวางหลุดพน้นได้คาตอบยังความจริงได้ตั้งแต่ยังไม่ทันถามเลยเพราะหลวงพ่อสอนให้วันนี้ก็คือเรื่องนี้แหละจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมก็รู้จิตไหลไปคิดก็รู้รู้บ่อยๆจิตเป็นตัวพระเอกไม่ใช่ท้องหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับ เห็นว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางยังมีการหวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆโดยเฉพาะถ้าเจอสิ่งที่ไม่พอใจก็จะดิ้นรนมากพยายามดูในชีวิตประจำวันให้บ่อยๆแต่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างขอหลวงพ่อเมตตาอบรมสั่งสอนครับอย่าไปตั้งเป้าหมายผิดเราไม่ได้มุ่งปฏิบัติให้จิตมันดีให้จิตมันสุขให้จิตมันสงบนะ เราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็สงบนะเดี๋ยวมันก็ห ล, ลงไปนอนหลงไปนี่ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นตรงนี้ไม่ใช่เรียนเพื่อบังคับให้ได้นะเราเรียนเพื่อบังคับให้ได้เพื่อไปเป็นกรรมฐานแบบฤาษีชีไพรอะไรอั้นไปฝึกจิตให้นิ่งเร่งว่างๆอะไรไปนะไม่ได้ประโยชน์ เพราะงั้นตั้งเป้าการปฏิบัติให้ถูกเราต้องการเห็นความจริงของกายของใจเราจิตใจเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยการบังคับไม่ได้อนะไรเงี้ยต้องการเห็นตรงนี้ธรรมะได้แสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาแต่เราคิดว่าตรงที่มันแสดงขึ้นมาเนี่ยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาเราคิดว่ามันยังไม่ดีะ เราไปมุ่งว่าทำไงมันจะสงบทำไงมันจะสว่างทำไงมันจะสบายอะไรเงี้ยถ้าตั้งเป้าผิดเราจะเดินผิดตั้งเป้าให้ถูกเราจะเดินถูกนะงั้นขั้นแรกเลยเนี้ยต้องปรับทัศนคตินะต้องเข้าค่ายปรับทัศนคติหมายเลขสี่สิบสี่ครับ ทุกวันจะใช้พุโทโธเป็นเครื่องอยู่สวดมนต์เช้าเย็นมีนั่งสมาธิบ้างอยากจะขอคำแนะนำเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติครับที่ฝึกอยู่มันก็ใช้ได้นะจิตมันเริ่มมีกำลังขึ้นแล้วลนะพอจิตใจเรามีกำลังแล้วเราก็ดูร่างกายมันก็ของถูกดูสุขทุกข์มันก็ของถูกดูดีชั่วมันก็ของถูกดู อะไรๆมันก็ไม่มีตัวเราสักอันเดียวค่อยๆดูไปกระทั่งจิตที่เป็นคนดูก็ไม่เที่ยงจิตผู้รวมก็ไม่เที่ยงเนี่ยเฝ้ารู้อย่างนี้นะเป็นการเจริญปัญญางา น, นที่แรกที่เราทำสมาธิทำอะไรเนี้ยทำถูกแล้วนะจิตมีกำลังแล้วลนะแต่ตอนนี้จิตออกนอกนิดหน่อยสังเกตออกไหมดูออกไหมจิตไม่เข้าฐานแล้วจิตออกไปสบายเข้านอก ลองหายใจสิอย่าดึงจิตนะหายใจเฉยๆหายใจแล้วเห็นว่าร่างกายมันหายใจรู้เฉยๆเอารู้อย่างนี้นหะตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันแล้วดูออกไหมยังดูไม่ออกดูไม่ออกหายใจไปก่อน ตรงนี้กับตะเคียะต่างกันแล้วดูออกไหมเอออย่างนี้นหละตะเคียะจิตมันออกกระจายออกข้างนอกไปนะอยู่ตรงนั้นนะอยู่ได้เป็นปีๆเลยนะมีแต่ความสุขนะเราหายใจแต่เราไม่ดึงจิตนะถ้าดึงแล้วจิตจะแน่นให้ยใจเฉยๆเนะี่ยจิตมัน ก, ก็กลับมาเองจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะมันถึงจะเดินปัญญาได้จริงรู้สึกไหมขนาดนี้ร่างกายไม่ใช่เราแะ มันรู้ทันทีเลยยขอให้จิตตั้งมั่นเท่านั้นนะสุขทุกข์ดีชั่วก็ไม่ใช่เราแล้วนะค่อยๆดูไปตอนนี้จิตลงไปคิดรู้ไหมฝนะึกอย่างนี้นะจิตหลงคิดก็รู้ค่อยๆฝึกไปที่ทำอยู่ใช้ได้แล้วนะดีหมายเลขห้าสิบเจ็ดครับ ตอนนี้รู้สึกว่าติดเพ่งรู้สึกร้อนร้อนซ้ำๆตรงที่เพ่งดูลงไปแล้วไม่ค่อยหายไม่เป็นกางกับสภาวะนี้บางครั้งพยายามไปขลุกอยู่กับการเพ่งนี้ค่ะขอคาแนะนำหลวงพ่อค่ะเราห้ามมันไม่ได้หรอกจิตมันจะเพ่งจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้แต่เราต้องรู้เหตุทำไมมันเพ่ ง, เ พ, งเพ่งเพราะมันอยากมันอยากมีสติตลอดเวลา อยากปฏิบัติดีๆอย่ากบรรลุมรกผลอะไรเงี้ยจะไปเพ่งหรอกงั้นการเพ่งนี่มันเป็นงานของคนดีนะความหลงนี่เป็นงานของคนไม่ดีการเพ่งเนะไปสุขติได้หลงเนี่ไปทุกขติแน่นอนงั้นเพ่งไว้ก็ดีกว่าหลงนะแต่ถ้าเพ่งอยู่เนี่ยไปสุขติไม่ไปนิพพานหรอกเพ่งรู้ว่าเพ่งอยากให้หายรู้ว่าอยาก ถ้าต่อไปพอเราฝึกมากๆเราจะรู้เลยเพ่งเพราะวก็อยากอยากรู้ตัวตลอดเวลานี่ก็เพ่งอยากให้จิตตั้งมั่นก็เพ่งอยากให้ดีก็เพ่งอยากจะให้มันมีความสงบก็เพ่งมันเพ่งมาเพราะมันอยากถ้าเรารู้ต้นต่อคือความอยากความอยากมันดับไปแล้วการเพ่งก็จะค่อยๆหายไปแต่ถ้ามันเพ่งแล้วจะไปอยากให้หายเนี่ยมันยิ่งเพ่งหนักกว่าเก่าอีกเพราะมันยิ่งอยากมากขึ้น ไม่น่ามันเพ่งเพราะอยากมันอยากดีนั่นแหล ะ, ะจุดสำคัญที่คุณเล่ามาแตะเกี้ยะมันมีตัวที่เป็นตัวสำคัญอยู่ตัวหนึ่งคือไม่เป็นกลางไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางอยากให้เป็นกลางนะก็ไม่เป็นกลางนะเพราะงั้นตัวเป็นกลางนะตัวสำคัญมากเลยหลวงพ่อถึงย้ำไนงะต้องรู้ มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าไม่เป็นกลางก็ไม่ดีใช้ไม่ได้งั้นไม่ต้องไปแก้นะเพ่งก็รู้ว่าเพ่งไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยก็เห็นเพ่งวัดทำเมเองอะ่ะอยากดีก็ไเพ่งพอรู้ทันใจก็เลิอกอยากเลิอกอยากก็เลิกเพ่งเลิกเพ่งก็เลิกแน่นๆเลิกถูก หมายเลขห้าสิบเก้าครับโยมภาวนาโดยใช้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทมีฟุงซ่านเข้าไปในความคิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะถูกแล้วก็บังคับเข้าไปที่ลมหายใจโยมรู้สึกกลัวทำผิดสลับกันอยู่อย่างนี้โยมควรปฏิบัติภาวนาอย่างไรต่อไปคะขอคำแนะนาหลวงพ่อด้วยค่ะที่พูดมามันก็ถูกแล้วนะมันเป็นยังไงก็รู้มันเป็นอย่า ง, น, างนั้นไม่ต้องไปนั่งแก้มัน แต่ใจมันกังวลรู้ว่ากังวลพระก็มีนะในนี้ก็มีเช้าขึ้นมาก็มานั่งนึกทำไงจะดีทําไงจะถูกเนะี่ยมันอดไม่ได้หรอกสมัยหลวงพ่อภาวนาตอนเป็นโยมก็เป็นเหมือนกันตื่นมาก็วันนี้จะภาวนาอีท่าไหนดีนะจะเดินดีหรือจะนั่งดีนะหรือวจะวางจิตไว้ตรงไหนถึงจะถูกนะนะคิดแต่เรื่องพวกนี้นะ่ะแล้วผิดทุกทีเลยทําที่ไรผิดทุกทีเลยแล้วเมื่มอไหร่ไม่ทำเมื่นั้นถูก แต่เริ่มต้นต้องผิดก่อนผิดแล้วก็ทำไปแล้วก็เรียนรู้ว่าโ อ, โอ้ตัวนี้ไม่ใช่หรอกแล้วตอนหลังมันถูกเองแต่ถ้าเริ่มต้นไม่ทำอะไรเลยนี่ผิดแน่นอนนะจะไปอังบายเลยเนะป็นเริ่มต้นทำไปอย่างนี้ถูกแล้วแล้วก็เกิดสงสั ย, ยทำยังไงดีทำอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกกลัวว่าทำผิดแล้วจะล่าช้ากลัวว่าทำผิดจะเนิ่นช้ารู้ว่ากลัวเนี่ยเรคือการปฏิบัติ รู้เท่าทันจิตใจตัวเองทุกช็อตเลยรู้ทุกขณะไปเลยนะนั่นแหละถูกแล้วนั่นจิตใจกําลังกังวลรู้ว่ากังวลหลวงพ่อเคยได้ดีเพราะเห็นจิตกังวล น, นะตอ น, นั้นเปียกฝนนะเมื่อปีสองห้ายี่สามกันยาสองห้าพายุเข้าุนเทปเปียกฝนตั้งตัวเลยจิตมันกังวลรว่ากังวลความกังวลมันดับนะมันดับของมันเองนะจิตก็รวมเลยนะ ทำสมาธิขึ้นมาได้เลยเพราะงั้นจิตกังวลก็รูว้ว่ากังวลจิตสงสัยรู้ว่าสงสัยตรงนี้ต้องใจกล้าจริงนะส่วนใหญ่สงสัยแล้วจ ะ, จะต้องคิดหาคำตอบหรือเที่ยวถามคนนั้นคนนี้ไอ้นั่นไก่อ่อนนะถ้าแน่จริงสงสัยรู้ว่าสงสัยไม่ต้องหาคำตอบไม่ต้องกลัวโง่สงสัยมันก็คือสภาวะธรรมอันหนึ่งแล้ว เกิดแล้วก็ดับเช่นเดียวกับสภาวะอย่างอื่นนั่นแหละไม่ต้องไปหลงกลมันสงสัยแล้วยิ่งคิดหนักกว่าเก่าอันนี้เสียท่าแล้วนั่นสงสัยรู้ว่าสงสัยกังวลรู้ว่ากังวลอย่างเงี้ยรู้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะเกิดปัญญานะเห็นนวะ่าทุกอย่างเกิดแล้วดับนะทุกอย่างบังคับไม่ได้ไปฝึก อ, อีกไปที่ทําอยู่ดีแล้วละหมายเลขหกสิเอ็ครับ ปฏิบัติในรูปแบบอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงต่อวันที่เหลือเป็นการรู้สึกตัวเนืองๆตลอดจนนอนหลับเห็นและเข้าใจตัวที่อยู่เบื้องหลังความคิดการตัดสินใจเห็นรูปนามทำงานเองได้ขอคำแนะนำในการปฏิบัติและจุดอ่อนด้วยค่ะตอนนี้จิตถึงฐานนะปะดูออกไหมดูออกใช่ไหมถึงไม่ถึงไม่ถึง ถ้าจิตไม่ถึงฐานก็ทําความสงบเข้ามาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรแต่ไม่ถึงจิตนะจิตมันเข้ามาเองจิตมันอยู่กับฐานนล้วเราก็เดินปัญญาดูขันแต่ละขันไปแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราดูลงไปเรื่อยเื่อยสติเราเริ่กรูกข้ขันนั้นไหนก็รูข้ขันนั้นนัะไม่เลือกหรอกสติเราเริ่กรู้กายนั่นก็เห็นมีปัญญารู้ลงไปกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา สติไปะระลึกรู้เวทนากนะ็มีปัญญารู้ว่าเวทนาไม่ใช่เราอย่างนี้สติรู้อะไรก็รู้ไปไม่ห้ามหรอกไม่ใช่ว่าต้องรู้อันนี้อันเดียวรู้อันเดียวเป็นขั้นตอนของการทำสมาธิทำสมถะในขั้นเดินปัญญาเนี่ยสติระลึกรู้อะไรก็รู้อันนั้นแหละเราไม่เลือกหรอกเพราะทุกอย่างมันสอนบทเรียนอันเดียวกันสอนไตรลักษณ์เหมือนกันหมดตอนนี้เพ่งแล้วรู้ไหม นะรู้อย่างเนี้ยทําไมเพง่งเพราะกลัวจิตออกนอกกืัวจิตไม่เข้าฐานเลยเพ่งเอาี่ยเห็นไหมรู้ทันมันจิตลงไปคิดเรารู้ไหมรู้อย่านะงนี้นะลงไปคิดแล้วรู้ไหมนะนะลไลไหมลงแล้วรู้ไหมนีม่คำถามทั้งนั้นนะไม่ได้ แสดงอิทธิฤรธิ์อะไรเลยถามเอาอ้าวนั่งดีไปทำอีกหมายเลขหกสิบสี่ครับตนเองเป็นโทสะจริตทิฏฐิจริต ท, ท, ที่ผ่านมาใช้กรรมฐานเคลื่อนไหวร่างกายแล้วรู้ทันใจ รู้สึกว่าช่วงหลังจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นขอคำแนะนำหลวงพ่อในสิ่งที่เป็นจุดอ่อนจุดติดขาดของผมเพื่อพัฒนาต่อไปครับทำถูกแล้วนะจิตมันก็มีกำลังขึ้นมาแล้วนะเพราะเฝ้าโู้เฝ้าดูดอย่างที่ ด, ดูนะันและถูกแล้วนะแล้วก็สังเกตนันหนึ่งถ้าเมื่อไหร่สมาธิมันตกจิมยะออกนอกไปจิมจะไหลไแล้วก็ หายใจไเนี่ยจิตก็กลับมาตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูสบายๆไปตอนนี้จิตหลงไปคิดหรื อ, อยังดูออกไหมจิตไหลแแบบไปไงนัะ้นนะนี่ยอย่างนี้หลงนะจำไหมนะที่หลวงพ่อบอกว่าหลงนะหลงมันหน้าตาอย่างนี้แหละมันหลงเนียนๆ เ, เรานึกว่าเรารู้อยู่แต่มันหลงอยู่ ตัว น, นี้หลงนะจำสภาวะไว้แล้วไม่ห้ามมันนะจะหลงก็ช่างมันแต่ว่าพอจิตมันจำสภาวะได้พอหลงปุ๊บสติมันจะเกิดเองตัวรู้ก็จะเกิดเองของคุณมันมีตัวรู้แล้วล ะ, ะภาวานาได้ดีนะสมาธิดีฝึกไปเรื่อยๆสมาธินี่เป็นของที่เราไม่ทิ้งนะ ทุกวันต้องฝึกถึงจะดีหลวงพ่อในีเคยพลาดว่าจเจริญปัญญาแล้วดูถูกสมาธนะิเสียเวลาไปตั้งนานเนะนี่ยตัวนี้หลงหระยะหลงไปชิดล้วไปดูอย่างเนี้ยนะดูสภาวะไปหมายเลขเจ็ดสิบสองครับฟังทมหลวงพ่อมาปีกว่กว่ๆแล้ว มีความรู้สึกว่ายังเป็นนักเรียนปถมต้นอยู่อยากถามหลวงพ่อว่าผมใช้กรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองครับที่ใช้ก็ใช้ได้นะใช่ใจไปแล้วรู้สึกไปเลยก็ทำได้ทำไปแล้วก็ไม่ได้มุ่งที่ดีที่สุขที่สงบอะไรหรอกทำไปแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันลืมกรรมฐานจิตมันหลงนะ ที่ลงพรอสอนมันเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เนี่ยเป็นจุดตั้งต้นที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้าถ้าพื้นฐานเราไม่ดีนะเราล้มเหลวแนละ้วการปฏิบัติฉนนฝึกเบสิคพื้นฐานเนี่ยไว้ให้ดีเลยจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปไม่ได้มุ่งเอาดีไม่ได้มุงมม่งเอาสุขไม่ได้มุ่งเอาสงบ จิตดีรู้ว่าดีจิตไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีจิตสุขก็รู้ว่าสุขจิตไม่สุขก็รู้ว่าไม่สุขจิตไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบจิตสงบก็รู้ว่าสงบราะนาเพื่อจะรู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นเออหายใจไปหายใจแล้วอย่าไปดึงจิตให้นิ่งหายใจแล้ว้าใช้จิตธรรมดาเนี้ยปล่อยจิตเป็นธรรมชาติ ให้ใจสบายๆไปหา ใ, ใจลงไปคิดรู้ทันสังเกตไหมตอนที่เรารู้การหายใจเนะี่ยจิตมันไหลไปคิดไประยะระยะตัวนี้ดูออกไหมตัวนั้นตัวดีนะไม่ใช่ห้ามไหลแต่ไหลเรารู้ไหลเร้รู้ไปไปฝึก อ, อีกไปที่ฝึก อ, อยู่นั่นดีนะ หมดแล้วครับหมดแล้วนระออย่าลืมที่ลงพ่อสอนวันนี้นะเราต้องมีตัวรู้เราถึงจะแยกขันได้เราจะแยกขันได้นะต้องมีตัวรู้ว่าแยกขันได้แล้วเราจะเห็นขันแต่ละขันนะสภาวะธรรมแต่ละตัวทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเกิดเราดับทั้งสิน้นบังคับไม่ได้ ตกอยู่ใต้ใจลักพอเห็นมากๆแล้วใจมันจะเบื่อหนายคลายความยึดถือในแต่ละขันนั้นขันแรกที่มันปล่อยคือกายตัวรูปจะปล่อยตัวนี้ก่อนเวลามันเห็นความจริงของกายมันจะหมดความยึดถือกายพอที่มันหมดความยึดถือกายเนี่ยมันจะไม่ทุกข์เพราะกายอีกแล้วแต่กายทุกข์นะกายยังไงก็ทุกข์มันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตาย หมอมาฉีดยาเราเราก็เจ็บนะไม่ใช่ไม่เจ็บทำอะไรก็เจ็บเหมือนคนปกตินั่นแหละแต่ใจต่างหากที่มันไม่ถุกนี่ค่อยๆฝึกไปต่อไปเราก็จะเห็นจิตใจเองก็ไม่คงที่เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายสุดท้ายจุดสุดท้ายก็ไม่ยึดถือไม่ยึดถือจิตปล่อยวางจิตได้ก็มีความสุขล้วพภาระ ในการปฏิบัติตัวที่ปล่อยวางกายได้เนี่ยก็ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือกายก็คือไม่ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายลูกตาก็เป็นกายตายังไม่ยึดเลยมันก็ไม่ยึดรูปหรอกหูมันยังไม่ยึดเลยไม่ยึดเสียงหรอกนะจมูกไม่ยึดมันก็ไม่ยึดกลิ่นหรอกเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายมันของห่วงของรักของเรา เราภาวนาจะเห็นความจริงเห็นทุกข์เห็นโทษของมันไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกเป็นแค่ของอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวสุดท้ายก็ต้องคืนให้โลกไปนนนนกนะนเนี่ยหมดความยินดีนร้ายในร่างกายนะเมืันนี้หมดความยินดีินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสปัฏฐาคือตัวการมราคะ แล้วก็ความยินดีดับความยินร้ายดับไปรพร้อมๆกันปฏิฆาก็ดับการมาราคาอะอกับปฏิฆาดับพร้อมกันเมื่อพอนามเขเข้ามาที่จิตที่ใจนะต่อไปไม่ยึดถือไม่ยึดถือจิตไม่ยึดถือความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายความปรุงแต่งทั้งหลายที่เกิดร่วมกับจิตตัวนั้นนะ อรู ป, ปราคารู ป, ปราคานะดับไปพร้อมๆกันตัวรู ป, ปราคานะก็คือตัวความยึดถือนาม ก, กายนาม ก, กายนะไม่ใช่ธรรมกายนะนาม ก, กายนาม ก, กายสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเนะีนะ่ยเราไม่ยึดนาม ก, กายพวกนี้รู ป, ปราคา็ดับไปในขณะที่ไม่ยึดนาม ก, กายรือตัวเจตสิกเนะี่ยมันจะไม่ยึดจิตด้วย จะปล่อยพร้อมกันจิตเจตสิก จ, จะเกิดร่วมกันเสมอเพราะปล่อยจิตได้นั้นก็ปล่อยเจตสิกด้วยอัตโนมัติแลเวเมลลาล้วรูปปราคาอรูปประราคาก็ลาพร้อมกันอีกเหมือกนกับกามและปฏิฆะลาพร้อมกันค่อยๆภาวนานะเราจะรู้สึกเลยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเราเนี่อัศจรรย์เหลือเกินลึกซึ้งประณีต คนผ่านไม่มีวันได้รู้ได้เห็นหรอกต้องมีบุญพอนะถึงจะได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนลงมาถึงกายถึงใจของเราอย่างถึงแก่นเนะจนเห็นความจริงของกายของใจเราปล่อยวางได้เนะี่ยอัศจรรย์มากเลยกว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้นยะสะสมความรู้ความเข้าใจนะมหาศาลนะท่านเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์อยู่ยี่สิบมาสงข์ขแสนมหากั้นะ เสี่อสงไขยสายมหากรรคือช่วงที่ได้รับการพยากรณแล้วว่าจะสําเร็จเป็นพระเทเจ้าแน่นอนก่อนนั้นอีกสิโหกอสงไขยนะยังไม่แน่นอนเป็นโพธิสัตว์ชนิดไม่แน่นอนเรื่องสะสมบารมีมหาศาลนะจักรวาลแตกทําลายนีนับจํานวนไม่ถ้วนได้ธรรมามาเพื่อสอนพวกเราธรรมะอยู่กับพวกเรา อันนี้ถือว่าอยู่ได้นานนะอยู่มาทั้งหลายเจเนเรชันแลพระพุทธเจ้าบางพระองค์เนี่ยท่านสอนคนไ่ได้เจนเนอเรชันเดียวกลุ่มที่ท่านสอนนิพพานไปหมดแล้วก็ธรรมะก็สูญเลยธรรมะของพระพุทธเจ้าเราองค์นี้ท่านขนไหวยในการสั่งสอนมากนะมีอุบายในการสอนมากเนะพราะท่านปัญญามาก ธรรมะท่านเนี่ยพวกเราสามารถเรียนสืบทอดมาเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้ยังไม่สูญไปแต่วันข้างหน้าไม่แน่นะรุ่นลูกรุ่นหลา น, ร น, ร น, รนเราไม่เห็นความสําคัญของธรรมะมันก็ต้องสูญนะเพราะไม่รักษาเหมือนตอนนี้นะสถาบันครอบครัวงเราก็แตกสลายแล้วนะแต่เดิมครอบครัวเรามีญาติพี่น้องเยอะแยะเลยใช่ไหมอยู่ด้วยกันเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้หมดแล้ว บ้านหนึ่งเหลือคนสองคนนะที่มีลูกนะลูกไปที่อื่นหมดแล้ไปเรียนหนังสือไปเลยครอบครัวไม่ได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดความรู้ความเข้าใจสืบทอดวัฒนธรรมอะไรเงี้ยไม่มีเด็กหลุดออกไปก็ไม่หาที่รับความรู้ความเข้าใจอเอาเองสถาบัานครอบครัวมแตกสถาบัานการศึกษาเราก็เสียไปเยอะแล้วนะ สอนอะไรกันก็ไม่รู้ตอนหลังๆเนี้ยสถาบันชาติก็ดูถูกชาติาศาสนาก็จะไม่เอาพระมหากษัตริย์ก็ตาหนิอะไรเงี้ยสถาบันทั้งหลายนะที่มันเป็นรากของสังคมคนรุ่นถัดๆไปอาจจะไม่เอาก็ได้แต่มันก็สำนึกเองหละความทุกข์มันจะเกิดกลีิยุคมันจะเกิดเพราะทุกคนทำตามกิเลส ไม่มีเหตุมีผลละนะไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพสิทธิของคนอื่นอนะไรเงี้ยถือว่าทําอะไรก็ได้นี่คือเสรีภาพ น, นี่ไม่ได้เรียนรัทศาสตร์ไม่รู้ว่าไม่ใช่เสรีภาพเนะี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยงั้นเราไม่รู้นะว่าศาสนาจะหมดเมื่อไหร่รีบภาวนาไว้ภาวนาให้เราเข้าใจนะเราไดสอนคนรอบๆตัวของเรา สืบทอดท่กไปค่อยๆฝึกไปหมดเวลาพอดีค่อยๆฝึกนะอะไรๆมันก็ไม่เที่ยงนะ่ะศาสนาเองก็อยู่ได้ชั่วคราวก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเนะชิญ